สำหรับชีวิตเราเคยถามคำถามนี้กับตัวเองไหมชีวิตเนี่ยมันก็ประกอบด้วยกายกับใจถ้าพูดถึงกายแล้วเนี่ยนะสิ่งที่จำเป็นนะที่ช่วยทำให้กายเนี่ยอยู่ได้ไม่เจ็บไม่ป่วย น, นี่เราคงตอบได้นะปัจจัย4ในบรรดาปัจจัย4ประการเนี่ยที่สําคัญมากก็คืออาหารแต่ที่จริงสิ่งที่ยังไม่ได้อยู่ในปัจจัย4แต่สําคัญกว่าอาหารก็คือน้ําและอากาศร่างกายคนเราต้องการอาหารต้องการอากาศ ต้องการน้ำอนนี้เป็นสิ่งจำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็ว่าได้ลองลงมาก็เสื้อผ้าเครื่องหนึ่งหม่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคอันนี้จิตใจและเนะ อะไรคือสิ่งที่จำเป็นหรือสำคัญสำหรับจิตใจนะอันนี้คนแต่ละคนก็มีคำตอบแตกต่างกันไปนะแต่ในความเป็นอตมาเนี่ยถ้าพูดรวมๆแล้วเนี่ยจิตใจเราต้องการความสุขนะร่างกายต้องการอาหารต้องการนา้ำต้องการอากาศนะส่วนจิตใจต้องการความสุข คนเราเนี่ยถ้ามีแต่อากาศมีน้ำมีอาหารมีอยารักษาโรคเครื่องนึ่งหม่มที่อยู่ใาศัยแค่นี้มันไม่พอนะไม่พอเพียงที่จะทำให้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีความหมายเราทุกคนก็รู้ว่า เราไม่ได้ต้องการแค่นั้นนะอย่างน้อยๆเ น, นี่ยชีวิตก็ต้องมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยพุทธศาสนาเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับความสุขนะถึงแม้ว่าพุทธศาสนาจะพูดถึงทุกบ่อยนะอย่างธรรวัฒเช้าเนี่ยก็จะมะีการสาธยายถึงทุกข์ ตั้งแต่เกิดเลยการเกิดก็เป็นทุกข์เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ก็ให้ความสำคัญกับความสุขมากลักษณะหรือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้มีปัญญาเนี่ยก็คือรู้จักหาความสุขแม้เจอทุกข์นะ ย, ยิ่งเจอทุกข์มาเท่าไหร่ยิ่งจำเป็นต้อง มีความสุขหรือหาความสุขให้เจออย่างพระองค์ตัดว่าเนี่ยผู้มีปัญญานะแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบอันนี้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้มีปัญญาคือต้องหรือว่าสามารถหาความสุขแม้ประสบทุกข์ได้แล้วก็ควรจะหาให้เจอด้วย เพราะบางครั้งชุวคนเราเนี่ยนะมันก็มีความทุกข์นะผ่านเข้ามาแต่ถ้าเรามีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจนะมันก็ทำให้สามารถที่จะอยู่ได้แันนี้ความสุขที่หล่อเลี้ยงจิตใจเนี่ย คนส่วนใหญ่นะก็นึกได้อย่างเดียวนะคือความสุขจากวัตถุส่วนใหญ่เลยเนี่ยว่าพูดถึงความสุขก็จะนึกถึงความสุขจากอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะหรือว่าบ้านที่สุขสบายรถ ราคาแพงหรือว่าวัตถุสิ่งเสษเทคโนโลยีต่างๆซึ่งก็รู้แลละแต่ต้องอาศัยเงินแต่ที่จริงความสุขเนี่ยมันก็เหมือนกับอาหารนะนะอาหารมันมีทั้งคุณภาพดีและคุณภาพเลว อาหารที่มีคุณภาพเลวไม่ใช่หมายถึงอาหารที่ราคาถูกนะบางทีอาหารนั้นก็ราคาแพงเช่นเนื้อสเต็กเนี่ยนะเนื้อสเต็กนี่แพงนะแต่ว่ามันมีคุณภาพต่ำในแง่ที่ว่ามันเต็มไปด้วยไขมันคนเดี๋ยวนี้นะหรือคนบางกลุ่มนี่ก็กินอาหารประเภทนี้ไม่ได้นะเพราะกินแล้วนี่ มันทำให้เป็นโรคหัวใจนะอาหารพวกจังฟู้ดเนี่ยอาหารขยะแฮมเบอร์เกอร์อรพวกนี้ราคาก็ไม่เบานะแต่ว่าอย่างเงี้ยคุณภาพหรือประโยชน์ต่อร่างกายนี่อาจจะต่ำก็ได้เพราะว่าพอ ก, กินมากๆเขาก็ทำให้เจ็บป่วยโดยเพาะยุค ป, ปัจจุบันที่มันมีอาหารพวกนี้มาก อาหาเนี่ยมีทั้งคุณภาพดีและคุณภาพไม่ดีความสุขก็เหมือนกันนะความสุขก็มีทั้งความสุขคุณภาพต่ําและความสุขแบบหยาบๆกับความสุขที่ละเอียดประณีตนะตอนนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้จักแต่ความสุขที่เป็นความสุขแบบหยาบ ๆ, ๆคือความสุขจากวัตถุ เราก็เลยดิ้นรนนะกระเสือกกระสนนะเพื่อที่จะแสวงหาและครอบครองความสุ ป, ประเภท น, นี้ให้ได้มากที่สุดนะซึ่งหมายความว่าต้องมีเงินเยอะๆเพราะถ้ามีเงินแล้วนี่ถึงจะซื้ อ, อวัตถุสิ่งเสพเหล่านี้ได้ปัญหาคือว่า ความสุขชนิดนี้เนี่ยนะมันมันเจอไปได้วยทุกขนะ์และเจอด้วยทุกข์มากด้วยหมายความว่านะมันให้ความพอใจกับเราก็จริงแต่ว่าก็ทำให้เกิดความทุกข์เกิดภาระกับจิตใจพู้เจ้าเปรียบเหมือนกับแสงสว่างที่เกิดจากคบไฟที่ทำด้วย ยาแห้งนะแสงสว่างที่เกิดจากคบไฟชนิดนี้ให้แสงให้มีประโยชน์ก็จริงนะขับไล่ความมืดได้แต่ว่ามันมันก็มีควันที่ทำให้เราคายคอแสบตาเนี่ยนะมันต่างจากไฟอย่า ง, างที่เรานะมีตรงนี้นะนะไฟ ที่ศาลานี้เนี่ยมันให้ความสว่างแล้วก็นวลแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ระคายเคืองวุฒนเะจ้าเปรี่ยบความสุขจากวัตถุสิ่งเสพหรือการมาสุขนะว่ามันนะเป็นสุขที่นะเจอไปได้วยทุกข์นะทุกข์ที่ว่านี้ก็คือว่า มันต้องเหนื่อยต้องดิ้นรนในการสแสวงหาไม่ได้มาก็ทุกข์ครั้นได้มาก็ยังทุกข์อีกเพราะว่าต้องคอยรักษาคนก็จะคอยแย่งชิงสมมุติว่าเรามีเพชรเรามีสร้อยคอที่ทำด้วยทองเนี่ยเวลา ไปไหนมาไหนค่ำคืนเราก็ก็ต้องคอยเราแววนระวังเรามีรถคันราคาแพง2ี่สบล้าน10บล้านเนี่ยจอดตรงไหนก็ห่วงว่าจะมีคนมาขโมยไหมหรือว่าจะมีใครมาขูดขีดหรือเปล่าบางทีจอดไวน้นานๆก็เกิดความกังวลว่าเดี๋ยวหนูจะมาทำรังไหม อันนี้ก็เป็นความทุกข์นะที่เกิดจากวัตถุชนิดนี้เกิดจากความสุขชนิดนี้นะแล้วพอมันหายมันเสื่อมไปก็เสียใจบางทีถึงก็ล้มป่วยนะเพชรถูกขโมยนะหรือว่าทรัพย์สินถูกโกงไปนะเป็นลมเลยนะ แต่ถึงแม้ว่ามันไม่เป็นอะไรเลยนะทรัพย์สมบัติเนี่ยมันยังอยู่ครบทุกอย่างแต่ว่ารสชาติของมันความอร่อยของมันหรือความพอใจที่เกิดจากสิ่งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ได้ปรปเดี๋ยวประดาว ตอนที่เราซื้อของใหม่ซื้อเสื้อตัวใหม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่โทรศัพท์เครื่องใหม่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นะเราดีใจใช่ไหมแต่ผ่านไปเดือนสองเดือนเราก็เริ่มเบื่อแล้วบางทีไม่ทันได้ใส่เสื้อเลยเพียงแค่แขวนเอาไว้เห็นทุกวันทุกวันทุกวันก็เริ่มเบือ่อแล้วก็อยากได้ตัวใหม่ มันเบื่อเร็วสุขง่ายแต่เบื่อเร็วนะพอเบื่อแล้วเป็นไงต้องหาอั น, อนใหม่มาชดเชยมาแทนทีนะ่อันนี้รวมถึงคนด้วยนะได้คู่รักนะได้คนรักมาทีแรกก็ดีใจนะแต่อยู่ไปนานๆก็เริ่มเบื่อแล้วทั้งทั้งที่เขาก็ยังหล่อยังยังสาวเหมือนเดิม แต่ว่าความสุขที่เกิดจากการได้มีเขาเป็นคู่ครองมันมันไม่ยั่งยืนมันชั่วคราวแล้วก็เบื่ออยากได้คนใหม่แล้วก็ต้องหาเหตุให้แยกทางกันให้เลิกกันจะได้หาคนใหม่มาได้อย่างสบายใจแต่หลายคนก็ไม่เลิกนะแต่ว่าหาใหม่ไปเรื่อยๆ ก็คอยสับลีกไอนที่เรามีกิ๊กเนี่ย น, นี่ก็เป็นทำให้เกิดความทุกข์ตามมาบางทีถึงกับเกิดการฆ่ากันทำร้ายกันอันนี้เรียกว่าเป็นสุขที่เจอไปด้วยทุกข์นะหรือว่าสุขชั่วคราวทุกข์ยาวนา น, นคู่รักหลายคนเนี่ยมันก็สุขได้เพียงแค่ปีแรกๆหรือบางทีแค่เดือนแรกๆ หลังจากนั้นอยู่กันไป20ปีมีแต่ความทุกข์ระหองระแหงทะเลาะ ก, กันสุกแค่1ปีส่วนที่เหลือ20ปี30ปีเนี่ยมันมีแต่ทุกข์นี่สุกชั่วคราวทุกยาวนานแต่คนเราเนี่ยก็ไม่รู้จักเข็ดนะทนั้งที่รู้ว่าเออได้มาดีใจชั่วคราวแล้วก็เบื่อหรือได้มาแล้วก็ต้องคอยเหนื่อยรักษา พ่อไหนะถึงไม่เข็ดนะต้องดิ้นหลนหามันมาเรื่อยๆเหมือนกับหนูนะที่วิ่งอยู่บนสายพานนะไม่จบไม่สิ้นสักทีนะชีวิตคนเราเนี่ยบางทีเหมือนคนที่วิ่งอยู่บนสายพานนะมันต้องวิ่งไปเรื่อยๆเพราะว่าไอสิ่งที่มีที่ดินที่ดิ้นรนหลนหามาเนี่ยได้มาแล้วก็ดีใจแต่เสร็จแล้วก็ เบือ่ออยากจะได้ใหม่ต้องหามีหามีหามีอี ก, อกตอนแรกมีแค่แสนหามาได้จนได้จนมีเป็นล้านก็ยังไม่พอใจหาเพิ่มอีกจนเป็น10บล้านก็ยังไม่มีความสุขไม่มีความพอใจต้องวิ่งหาอีกจนเป็นร้อยล้านได้ร้0ยล้านถามว่าพอหรือยังไม่พอเพราะความสุขความดีใจที่ได้มามันชั่วคราวทีแรกก็ดีใจแต่สักพักก็ ผ่านไปเดือนสองเดือนเบื่อเฉยๆแล้วอยากได้อีกอยากได้เพิ่มต้องเติมความสุขเข้าไปในจิตใจอยู่เรื่อยๆนะมันก็เลยเหนื่อยนะจะไม่มีก็ไม่ได้นะเพราะคนเราอย่างที่บอกคนเราต้องการความสุขไว้หล่อเลี้ยงจิตใจเพียงแค่มีกินนะมีปัจจัยสี่มันไม่พอนะคนที่เขามี ปัจจสี่หรือปัจจห้าหรือปัจจัสิบพังพร้อมแต่ถ้าจิตใจเขาไม่มีความสุขนะมนดี่เขาก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันคนที่ข่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาจนนะเขาก็รวยพังพร้อมดีวัตถุมากมายแต่จิตใจเขาไม่มีความสุขขาดความสุขอ่าแล้ววัตถุสิ่งเสพที่เขามีก็อย่างที่บอกนะก็คือว่า มันให้ความสุขชั่วคราวนะแต่ว่าทุกยาวนานได้มาแล้วก็สุขประเดียวประดาวแล้วก็เบื่อดิ้นหลนเท่าไหร่ก็ไม่เจอยิ่งประสบกับปัญหาในชีวิตปัญหาในการงานปัญหาเรื่องคู่ครองมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีความสุขหลายคนก็เลยเลือกปิดชีวิตตัวเอง คนที่ไม่มีความสุขในจิตใจนี่มันจะเหี่ยวแห้งนะเหมือนกับต้นไม้นะที่มันค่อยๆเหี่ยวเฉาบางคนทนสภาพนี้ไม่ได้ก็เลยฆ่าตัวตายจึงบอกว่าความสุขเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับจิตใจนะเพียงแต่ว่าความสุขที่คนรู้จักเนี่ยมันเป็นความสุขที่มันไม่ทำให้เกิดความพอใจอย่างแท้จริง มันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งนะนะไปเป็นความสุขที่ประณีตกว่าประเสริฐกว่าความสุขชนิดแรกเป็นความสุขที่เกิดจากการมีการได้การเสพความสุขชนิดหนึ่งเกิดจากการได้ทํำต่างกันนะความสุขจากการมีการได้การครอบครองเนี่ยกับความสุขที่เกิดจากการได้ทํา เช่นเราทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จเกิดความภาคภูมิใจหรือได้ทำความดีนะไอความภูมิใจนี่ก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะความสุขที่ได้ทำความดีมาทั้งชีวิตนะหรือว่าได้ทำความดี แต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ทำให้เกิดความภา aced, คภูมิใจเกิดปิติก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งความสุขที่เกิดจากการไปช่วยเหลือคนอันนี้มันหล่อเลี้ยง จ, ร จ, รจริตใจได้ดีกว่าก็เคยทดลองนะให้คนนักศึกษาสองกลุ่มเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็ให้เงินไปร้อยดอลลาร์เอาไปกินเอาไปเที่ยวอะไรก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งให้เอาเงินเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยไป ไปทําประโยชนนะ์เช่นอาจจะไปซื้อสีสอนวาดรูปให้กับเด็กนะไปทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ด้วยเงินจำนวนนี้แหละแล้วเ้าก็ให้แต่ละคนเนีแสดงบันทึกความรู้สึกนะหลังจากที่ได้เอาเงินร้อยนั้นน่ไปซื้อหรือไปทําประโยชน์สุดท้แต่ได้รับมอดหมายอย่างไรพกะพวกกลุ่มหลังเนี่ยนะเามีความสุขกว่า มีความสุขกว่าทั้งทั้งที่ เ, เงินที่ได้ก็ไม่ได้ไปซื้อไอติมไม่ได้ไปดูหนังฟังเพลงแต่ว่าเขาเอาไปทำไปทําประโยชน์มีความสุขกว่าคนเรานี่ไม่ใช่แค่การดูในชีวิตนะแม้แต่เวลาทํางานเนี่ยนะก็ต้องมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะเวลาทํางานเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ต้องอาศัยความรู้ หรือว่าอาศัยความซื่อ ส, สัตย์จริตเท่านั้นนะต้องมีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงด้วยคนที่ทํางานแล้วไม่มีความสุขเนี่ยนะมันยากนะที่จะรักษาคุณธรรมความซื่อสัตย์ไว้ได้พอๆไม่มีความสุขจากสิ่งที่ทําเนี่ยนะมันก็เบื่อก็มีการโกงนะ ยิ่งทำงานที่เกี่ยวกับผู้คนที่จริงไม่อาจะเป็นราชการหรือนักธุรกิจเนี่ยถ้าทำงานไม่มีความสุขแล้วเนี่ยนะมันยากที่จะรักษาความซื่อสัตย์สุจริตไว้ได้พอมีคนเอาสินบนมาให้หรือพอมีโอกาสที่จะโกงคนก็ทำงั้นแหละ เพราะความสุขที่เขารู้จักมันมีอย่างดีคือความสุขที่เกิดจากการเสพการการบริโภคนะอย่างที่บอกไว้แล้วคนเราต้องการความสุขถ้าไม่มีความสุขจากการทำงานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงมันก็หาความสุขจากเงินแทนแล้วถ้าใครเอาเงินให้หรือมีช่องทางหาเงินนะจากการคอรัปชันจากการขโมยก็ทำทั้งนั้นแหละอาจจะทีแรกก็อาจจะอดกลั้นไว้ได้ชั่วคราวแต่ตอนหลังเนี่ย มันเหียวแห้งมาในจิตใจเหียวแห้งเพราะไม่มีความสุขหล่อเลี้ยงก็ต้องยอมโกงยอมคอร์รัปชันนะหรือว่าลักขโมยหรือว่าทุจริตนะเพื่อจะได้มีเงินเยอะๆหรื อ, อยังตําๆก็อู้งานนะอู้งานนะเพราะว่าทำแล้วไม่มีความสุขก็อู้ดีกว่าถ้าเป็นนักเรียนก็ถ้าไม่มีความสุขในการเรียนก็ ลอกการบ้านนะหรือไม่ก็เอาเอ า, เอาข้อมูลใน Google มาตัดแปะส่งครูส่งอาจารย์บางคนก็ไปขโมยสมุดของเพื่อนเนี่ยนะมีนะนักเรียนเนี่ยขโมยสมุดของเพื่อนเนี่ยไปส่งครูแล้วก็ลบชื่อเพื่อนใส่ชื่อตัวเองแทน ขนาดนี้นะเพราะว่าอยากได้คะแนนคะแนนก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของนักเรียนแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการได้มนไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากการทำได้ได้คะแนนสูงแต่ไปโกงเขาเนี่ยไปลอกกันบ้านเนี่ยไอ้ความสุขแบบนี้มันสู้ความสุขที่เกิดจากการที่ทาด้วยความภาคเพียรพยายามไม่ได้ เพราะนั้นเนี่ยนะคนเราเนี่ยแม้แต่การทำงานเนี่ยนะจะใช่แต่ความรู้ก็ไม่พอจะมีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมก็ยังไม่พอมันต้องมีความสุขและความสุขนั่นแหละจะช่วยหล่อเลี้ยงให้รักษาคุณธรรมดำรงคุณธรรมเอาไว้ได้นะไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริตนะหรือว่าความขยันหมั่นเพียร การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะการปฏิบัติธรรมนี่ก็ต้องอาศัยความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะยิ่งถ้าเรามีความสุขนะความสุขในที่นี้คือความสงบหรือว่าความความยินดีที่ได้ทามันก็ทำให้เราสามารถจะปฏิบัติธรรมได้นานนะและถ้าเรามีความสุขจากไม่ว่าจะเป็นการทา งานหรือการภาวนาก็ตามเนี่ยประโยชน์อย่างหนึง่งคือมันทําให้เราเนี่ยพึ่งพาวัตถุสิ่งเสพน้อยน้อยลงอย่างพระเนี่ยนะชีวิตความอยู่ของพระเนี่ยเข า, เ, าเรียกว่าถูกดีไซน์มานะให้พึ่งพาวัตถุน้อยเนี่ยเช่นก็มีแค่อัฐบริขาร8อัฐบริขารคือบริขารแป ผู้จ่าดีไซน์วิถีชีวิตของพระเนี่ยให้อยู่ด้วยวัตถุน้อยๆแล้วจะทำยังไงถึงจะอยู่ได้นานๆถึงจะเป็นพระได้นานๆก็ต้องมีความสุขนะพระนี่ถ้าไม่มีความสุขนะที่ละเอียดที่ประณีตเนี่ยมันอยู่ยากนะ แล้วคนจํานวนมากเนี่ยความสุขของเขาเกิดจากการมีวัตถุนะมีสิ่งเสริมเพราะนั้นเนี่ยต้องมีเยอะๆถ้าคนเหล่านี้เนี่ยเขจะสงสัยว่พาพระนี่อยู่ยังไงนะมีแค่บริขารแปหรือว่าสมัยนี้ก็มีมากกว่า น, นั้นแต่ว่าก็ยังน้อยกว่ามาตรฐานคนสมัยนี้หรือคนทั่วไปแล้วเขาอยู่ได้อย่างไร ก็อยู่ได้เพราะความสุขนอาตมาพูดเรื่องนี้เนี่ยให้เพื่อนฟังนะเพื่อเลยเข้าใจอ๋อทําไมพระนี่เขาอยู่กันได้นานๆกันหลายปนะีหรือว่าอยู่กันบวชเป็นพระได้ตลอดชีวิตทั้งนั่นที่ก็ไม่ค่อยมีวัตถุอะไรมากอันนี้เพราะเขามีความสุขความสุขใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะี่ แต่ไม่ไม่ต้องเป็นพระนะคนที่ทำงานแล้วมีความสุขเขาก็จะพึ่งพาวัตถุน้อยเขาจะเป็นธาตุวัตถุน้อยแล้วเขาก็จะไม่ไม่ไม่อิจฉาเพื่อนที่มีเงินเยอะมีรถหลายคันมีบ้านหลังใหญ่หรือแม้แต่มี มีตำแหน่งสูงนะเพราะว่าเขามีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่แล้วในจิตใจส่วนคนที่ต้องพึ่งพาวัตถุเยอะๆต้องมีเงินเดินมากๆนะต้องมีรถหลายคันนะหรือว่าอาจจะต้องมีอยากจะมีตำแหน่งสูงๆเนี่ยก็เพราะเขาไม่มีความสุขใจที่เกิดจากการกระทำ ก็นะ เ, เลยต้องเป็นท่าสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้เราเห็นคนจำนวนมากนี่แข่งขันกันนะเพื่อจะมีเงินทองกันมากๆแข่งขันกันเอาตาแหน่งสูงๆแข่งขันกันมีจะได้เป็นเป็นอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงเป็นอธิการบดีเดี๋ยวนี้เป็นกันไปทั่วเนี่ยเพราะ คนเหล่านี้เขาไม่มีความสุขใจนะเป็นเครื่องหลอเลี้ยงนะเขาก็เลยต้องเป็นทาสวัตถุสิ่งเสพหรือต้องอาศัยความสุขที่เกิดจากการมีการได้มีหรือได้นี่มันก็มีความหมายกว้างนะไม่ใช่เฉพาะมีเงินมีวัตถุนะอาจจะรมถึงมีตำแหน่งมีชื่อเสียงนะอันนี้ก็อยู่ในความสุขประเภทเดียวกันคือความสุขประเภทแรกที่มันยาบมันเป็นสุข ที่ชั่วคราวแต่ทุกยาวนานหรือว่าสุขที่เจอไปด้วยทุกคนสมัยนี้เนี่ยเขาขาดความสุขทางจิตใจเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเนี่ยก็เลย mm hmm. ก็เลยเป็นท่ายของนะวัตถุสิ่งเสพแต่ถ้าเราสามารถจะหาความสุขทางจิตใจได้เป็นความชื่เกิดจากการได้ทำเริ่มจากความสุขจากการที่ได้ทำความดีความสุขจากการทำงานนะความสุขจากการได้เรียนรู้นะนะ เขาก็จะไม่หวั่นไหวนะใครจะมีเงินมากใครจะมีชื่อเสียงมากเขาก็ไม่ไม่หวั่นไหวเท่าไหร่เพราะเขามีความเขามีของดีนะี่ยของดีกว่ามามามาหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่แล้วให้การภาวนาเนี่ยมันก็เป็นหนทางหนึ่งนะที่ทำให้เรามีความสุขได้แต่ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่แต่จากความสุขจากการทำงานนะ ความสุขจากการทำงานความสุขการทำความดีอาจจะมันเกิดความสุขที่เราเรียกว่าความภาคภูมิใจความรู้สึว่ชีตเต็มเต็มเปี่ยมหรือว่าชีตมันได้รับการเติมเต็มไม่ว่างเปล่าแต่ความสุขจากภาวนาเป็นความสุขที่เรียกว่าความสงบนะผู้จัดแต่ว่าสุขอื่นนี่ความสงบไม่มีแต่ความสงบในที่นี้เนี่ยนะมัน ไม่ได้หมายถึงความสงบที่ต้องพึ่งพาวตต้องพึ่งพาวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมนะไอความสงบที่เกิดขึ้นท่ามกลางป่าหรือว่าในห้องภาวนาที่ติดแอร์ปิดเสียงอันนี้มันก็ก็ดีอยู่นะหรือความสงบอย่างที่หลายคนมาภาวนากันที่นี่เนี่ย อยู่ในป่ามีความวิเวกนะแต่ว่าเราต้องพยายามพัฒนาจิตใจหรือความสามารถในการหาความสงบของเราเป็นความสงบที่ไม่ต้องพึ่งวัตถุหรือว่าสิ่งแวดล้อมเสมอไปหมายความว่าอยู่ในอยู่ในบ้านอยู่ในบนท้องถนนเนี่ยมันมีเสียงกระทืกคลุกโครมใจก็สงบได้หรือว่าทำงานที่ ผู้คนรอบข้างเร่งรีบนะแต่ใจเราก็สงบได้อันนี้สำคัญกว่าแล้วคนเราถ้ามีความสงบแบบนี้หล่อเลี้ยงเนี่ยนะเราก็จ ะ, ะมีกำลังที่จ ะ, ะทำอะไรต่ออะไรมากมายโดยที่ไม่ต้องมีเงินมาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือว่าเป็นเครื่องอล่อหลอก สมัยนี้เนี่ยนะจะทำอะไรต้องมีเงินมาล่อต้องมีเงินมาเป็นรางวัลนะเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีเนี่ยเขาจะทุกข์มากเลยเขาจะทำด้วยความทุกข์นะแต่ถ้าว่ามีเงินมามาเป็นเครื่องล่อหรือว่าเป็นรางวัลนะก็ทำให้เขามีกำลังใจเพราะความสุขเขาเนี่ยเกิดจากการได้ใช้เงินการมีเงิน ได้ใช้เงินไปซื้อสิ่งเสพมาบริโภค เ, เสื้อผ้าโทรทัศน์โทรศัพท์รถยนต์ต่างๆให้เราจให้รู้จักนะความความสุขที่มันประณีตนะดูจักความสุขประณีตนี่คือความสงบและนี่แหละคือสิ่งที่คนสมัยเนี้ขาด หลายคนเนี่ยดิ้นรนไม่เลิกสักทีทั้งที่ก็รวยแล้วแต่ก็คิดว่าที่เขายังทุกข์อยู่เพราะเขารวยไม่พอเขาเลยต้องดิ้นรนหาม า, มากๆหาแล้วหาอีกไม่จบไม่จบไม่สิ้นเพราะคิดว่ายังรวยไม่พอแต่จริงๆเป็นเพราะเขาสงบไม่พอมากกว่าไอ้เงินที่มีมันเยอะแล้วนะแต่สิ่งที่เขาขาดที่มันหายไปในจิตใจคือความสงบก็คือขาดความสุขที่ปั น, นี้นั่นเอง ให้เรารู้จักจากความสุขที่ที่เกิดจากความสงบนะแต่ว่าและช่อ ว, ว่าหลายคนก็เป็นเพราะรู้จักหรือว่าเห็นความสําคัญนะของความสุขชนิดนี้ถึงพาเรามาปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันก็มีความจริงที่ดูเหมือนขัดแย้งกันนะก็คือว่าทันทีที่เราอยากได้ความสงบเนี่ยในความสงบมันก็จะห่างไกลเราไปทุกที ยิ่งอยากได้ความสงบก็ยิ่งไม่ได้นะอันนี้มันเป็นมันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นความจริงยิ่งอยากได้อะไรเนี่ยก็จะยิ่งรู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่ไกลจากเรามากขึ้นเรื่อยๆยิ่งอยากได้ความรักจากใครนะก็กลับรู้สึกว่าความรักนี่มันอยู่ไกลเราไปทุกที ยิ่งอยากถึงไวๆก็ยิ่งรู้สึกว่ามันถึงช้าเนะี่ยสังเกตไหมเวลาเราไปไหนเนี่ยอยากถึงไวๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมันถึงช้าเหลือเกินนะขั้นไม่อยากจะถึงไม่อยากจะรีบไปให้ถึงนะหรือว่าไม่อยากจะถึงเลยซ้ำเนี่ยมันกลับถึงเร็วนะหลายคนเนี่ยนะพอถึงวันศุกร์นี่ก็ดีใจแล้วนะ แต่ประเดี๋ยวเดียววันจันโผล่มาแล้วนะทั้งที่ไม่อยากให้วันจันทร์นี่มันมาถึงเลยนะแต่มาถึงเร็วเหลือเกินทํางานวันจันร์อยากให้มาให้วันศุกร์มาถึงเร็วๆนี่โอ้มันถึงช้าเหลือเกินเมื่อไหร่จะถึงวันศุกร์สักทีเหมือนกับเราหลายคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าเมื่อไหร่เนี่จบข้อสักทีนะยิ่งอยากให้มันจบเร็วๆนี่มันยิ่งรู้สึกโหมันช้ายิ่งอยากให้ถึงนะ ไว้ๆนี่ก็ยิ่งรู้สึกถึงช้ายิ่งอยากได้ก็ยิ่งไม่ได้ยิ่งอยากได้ความสุขก็ยิ่งไม่ได้หรือรู้สึกว่าันอยู่ไกลนะต่อเมื่อวางความอยากลงนะต่อเมื่อวางความอยากนะความอยากในที่รวมถึงความอยากให้ความสุขเกิดขึ้นหรือความสงบเกิดขึ้นพอวางความอยากปุ๊บนะความสงบหรือความสุขมาทันทีเลยนะ ยิ่งอยากได้กลับไม่ได้แต่พอไม่อยากนี่มันมันกลับมาทันทีเลยอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเหมือนกับว่ามันเล่นตลกกับเราแต่ว่าอย่างน้อยเราเข้าใจเป็นพื้นฐานเอาไว้นะว่ า, วาจริงๆแล้วเนี่ยความสุขเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับจิตใจของเราจิตใจถ้าไม่มีความสุขนี่มันก็จะแห้งมากมันจะแห้งผากแล้วมันทาให ไม่อยากแม้กระทั่งจะมีชีวิตโดยซ้านะแต่พรความสุขเนี่ยพอมีมันก็เลยหอเลี้ยงจิตใจให้ชุ่มชื่นแต่ว่าความสุขหลายอย่างหรือความสุขบางอย่างที่เรารู้จักเนี่ยมันทําให้ชุ่มชื่นชั่วคราวนะเหมือนกับน้ําหวานเนี่ยน้ำหวานนี่กินเข้าไปนะ ทีแรหิวนะแต่พอกินน้ําหวานเข้าไปโอ้มันหายหิวแต่สักพักนี่มันกลับจะหิวมากขึ้นไม่เหมือนน้าเปล่าน้ําเปล่ า, น, ลา น, น้ําฝนนะี่มันดับกระหายแล้วก็ไม่ทําให้หิวเพิ่มขึ้นนะแต่น้ําหวานนี่ดับกระหายประเดี๋ยวเดีย ว, ยวจะรู้สึกว่ามันมันมันกระหายอีกแล้วไอนะ้ความสูญที่เกิดจากวัตถุสิ่งเสพเป็นอย่างนั้นความสูญที่เกิดจาก ล า, า, าบสักการะเนี่ยรวมทั้งชื่อเสียงเกติยตเนี่ยเป็นอย่างนั้นแหละดังที่คนเราเนี่ยไม่รู้จักพอสักทีเพราะว่าเราไม่รู้จักเราไม่ได้สัมผัสกับความสุขที่มันเหมือนกับน้ำเปล่านะมันไม่มีรสชาติก็จริงแต่ว่ามันช่วยหล่อเลี้ยงให้เราเนี่ยมีความสุกกินได้ทั้งวันนะน้ำเปล่าเนี่ยแต่น้ำหวานนี่ ก, กินมากๆนะมีปัญหานะฟันก็เสียนะเบาหวานก็ถามหาโรคหัวใจโรคนานาชนิี้ก็ตามมาเพราะการกินน้ำหวานนี่แหละกินน้าหวานเยอะๆนะความสูงที่เรียกว่าที่เกิดจากความสงบนี่มันเหมือนกับน้ำจืดนะมัน เราดื่มได้ตลอดวันโดยที่ไม่เกิดอันตรายแล้วก็ไม่เกิดโทษนั้นถ้าเราถ้าเราได้รู้จักนะความสุขที่ประณีตแล้วก็พยายามนะเพียรปฏิบัตินะโดยสายสมาธิภาวนาโดยสายการเจริญสติเนี่ย แล้ววางจิตวางใจให้ถูกเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราได้มีนะมีสิ่งวิเศษสิ่งประเสริฐมาหล่อเลี้ยงจิตใจนะเวลาเจอความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดจากความผันผวนเปลี่ยนแปลในโลกคำต่อว่าด่าทออุปรสรรคความล้มเหลวหรือแม้แต่ความเจ็บความป่วยนะมันก็ยังทำให้เราสามารถจะอนะ่เป็นปกติสุขอยู่ได้ ออแล้วคำนี้ก็พูดกับท่านนี้กลับครับ